ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามพ้นจากวิจิกิจฉาไม่คลางแคลงไม่เครือบแคลงไม่ถึงความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาทีนี้มาดูข้ออุปมาเกี่ยวกับเรื่องนิวรณ์กับผู้ที่กำจัดนิวรณ์ได้นะอุปมานิวรณ์เหมือน อ, อุปมานิวรณ์ทั้งหและอุปมาการชำระนิวรณ์ได้ เพราะว่าในสูตรนี้เนี่ยนะขยายพิสดารละเอียดก็คือเรื่องนิวรณ์ทั้งห้าเพราะว่าสําหรับคนทีอ่อยู่คนเดียวเป็นต้นเนี่ยนะโดยมากนิวรณ์มันกลุ่มรมคนที่อยู่อย่างปีติโส ม, มันฮัดอยู่ด้วยกุศ ล, ลจิตเนี่ยหายากมากไม่เชื่อก็ยองให้อยู่คนเดียวทั้งวันดูสิเอ้าไม่ฟังทำไม่อะไรให้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยโดยมากอยู่ด้วยอกุศลทั้งวันวันนั้นมันช้าที่สุดเลยนะ อย่างเช่นก็เหมือนกับคนที่วันรอนั่งรอรถเป็นต้นน่โอ้ยสามชั่วโมงเนี่ยมันช้าแท้ยิ่งไม่มีเพื่อนคุยไม่มีอะไรทำเป็นต้นนี่คนที่จเจริญกรรมฐานทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะยิ่งไม่ค่อยรักเรื่องกุศลอยู่แล้วเนี่ยนะจิตใจไม่ฝักใฝ่เรื่องกุศลไม่เห็นโทษของการคลุกคลีเป็นต้นแล้วพวกนี้เขากาการอยู่คนเดียวนี่ทรมานที่สุดเลยเนี่ยนะ ก็เริ่มเดือดร้อนแล้ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกเจริญอย่างไรไม่ให้อักุศรวิตกไม่ให้นิวรนกลุ่มลมทีนี้เปรียบการ ม, มาฉันทานิวรนในข้อ470ดูก่อนพิสูนทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานเรียกว่ากู้หนี้ไปลงทุนนะการงานของเขาเหล่านั้นพึงสำเร็จผลเขาก็เลยเอาไปใช้หนี้ที่เป็นทุนเดิมให้หมดสิน้นทรัพย์ที่เป็นกาไรของเขา ก็มีเหลืออยู่อย่างเพียง อ, อย่างเหลือเฟือพอที่จะสําหรับเลี้ยงภระยาะได้ก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวอย่างสบายเนี่ยนะเขาเพิ่ง ม, มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบัดนี้การงานของเราสําเร็จแล้วเราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นต้นทุนเดิมต้นทุนเดิมที่เป็นหนี้ที่เรากู้มาก็ใช้หมดสิ้นแล้ว ทรัพย์ที่เป็นกําไรของเราก็ยังมีเหลืออยู่สําหรับเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงภรรยาเนี่ยนะดังนี้เขาก็ได้ถึงความปราโมทถึงความโสมนัสเพราะอะไรเพราะมีความไม่มีนี่นั้นเป็นเหตุฉันใดนี่ะคนที่ละกามฉันทะนี่วอนได้ก็เหมือนปรับเป็นคนที่ปราศจากนี่ไม่มีนี่พระพุทธเจ้าชื่อว่าพระองค์ว่าผู้ไม่มีนี่ก็คือเนื่องจากพระองค์ไม่มีกามฉันทะนี่วอนนั่นเอง ในหน้า226เนี่ยนะบทว่าอินามดายะก็คือทรั์ที่ไปกู้กู้แบบต้องใช้ดอกเบีย้ยเนี่ยนะก็ตอนหลังก็เมื่อได้มาก็ใช้หนี้สมหมดเลยเนี่ยนะเมื่อใช้หนี้หมดเป็นไงก็สบายลนะปเพราะปราศจากหนี้เหมือนในหน้า227ที่กล่าวว่านะการมาฉันทานิวรเนี่ยเหมือนหนี้นะย่อหน้าล่างบอกว่าจริงอยู่บุคคลใด กู้หนี้เขาไปแล้วก็ไม่สามารถจะใช้ได้คือกู้แล้วไม่ไม่มีปัญญาใช้หนี้เนี่ยนะบุคคลนั้นถูกเจ้าหนี้ทวงว่าเจ้าจงใช้หนี้หรือบางทีก็ถูกด่าเลยเนี่ยนะถูกเจ้าหนี้เนี่ยดา่าแล้วก็บางทีก็ถูกจับเพราะเจ้าหนี้มีเ ม, มีมีใครมีแบบมีผู้คุ้มครองเนี่ยนะมีผู้ที่คอยเนี่ยหรือไม่ก็ถูกประหารถูกเคี่ยนถูกดี ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะโต้อตอบอะไรได้ย่อมอดกลั้นทุกอย่างเพราะว่านี่นั้นมีการอดกลั้นเป็นเหตุชันใดเพราะเพราะตัวเองติดนี่ติดสินนี่แหละเลยจําต้องอดทนเนี่ยนะจต้องอดทนเาอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่น้อยอย่างเช่นเป็นคนที่ติดการพนันเนี่ยงอมเงีมเมื่อตัวเองเป็นนักการพนันตัวยงติดการพนันมัวเมาในการพนันก็ไปกู้มา ไปกู้แบบแหม่ฝากดอกเบีย้ยมาหาโหดเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เอาไปเล่นการพนันอีกหมดตัวอีกเนี่ยพอหมดตัวแล้วก็ถูกซ้อมถูกเกี่ยนถูกตีถูกอะไรถูกลงโทษก็ไม่สามารถจะโต้อตอบเขาได้เนี่ยนะอันนี้สมัยใหม่ก็มีไม่ใช่น้อยหรือปัจจุบรรันนี้ก็มีหลายคนถูกฆ่าเพราะไปกู้หนี้ในวงการพ น, นันแล้วไม่มีปัญญาใช้คืนเขาเนี่ยนะก็บอกว่าการมาฉันทะทั้งหลายก็เหมือนกับคนมีหนี้นั่นเองทีนี้ถ้าเป็นตรงกันข้าม เออก็ไปทบทวนนะพูดทบทวนถึงตันหานิดนึงว่าตันหานี่เหมือนเจ้าหนี้บอกว่าบุคคลใดยินดีด้วยสิ่งใดยินดีสิ่งใดด้วยการมฉันทะถือเอาสิ่งนั้นด้วยอำนาจตันหาฉันนั้นเหมือนกันบุคคลนั้นถูกเขากล่าวคำหยาบถูกจับถูกประหารก็ย่องอดทนทุกอย่างเพราะมีการมฉันทะเป็นเหตุเนี่ยนะก็เหมือนกับแบบนักมวยที่ต้องการเกมขัดใช่ไหม ต้องการล่าเงินรางวัลจะถูกต่อยถูกตีถูกเตะถูกซ้อมน่วมขนาดไหนก็ทนได้เพราะอะไรเพราะต้องการล่าเงินรางวัลเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งพวกนักรบทั้งหลายเนี่ยนะที่รับจ้างรบเป็นต้นเนี่ยนะถูกซ้อมถูกตีถูกเคี่ยนฝึกฝนอย่างเหนื่อยยากทุกยากลําบากก็เพราะอะไรก็เพราะมีความต้องการเป็นเหตุนเนี่ยนะต้องการเป็นเหตุโอ้ยมุมานะเดือดร้อนเร่ารา้อนลําบากทุกร้อนรน้อนรนกวนกวายเจ็บปวดขนาดไหนก็ทนใช่ไหมทนเพื่ออะไร เพราะตัวเองมีหนี้เขาบอกว่ารักสิ่งใดก็ถือว่าตัวเองติดหนี้กับสิ่งนั้นเพราะกามมาฉันทะตัวตันหาตัวฉันทราคะนั่นแหละเปรียบเหมือนกับเจ้าหนี้ที่รุนแรงมากทีนี้เหมือนอะไรเหมือนความพอใจในกามของหญิงทั้งหลายที่ถูกสามีในเรือนค่าเพราะฉะนั้นกามมาฉันทะนิวเนี่ยเปรียบเหมือนหนี้อย่างนี้ก็คืออย่างอย่างเช่นผู้หญิงบางคนเนี่ยนะหนีตามผู้ชายบางคนเนี่ยนะ ที่นิสัยไม่ดีแต่เบื้องต้นเนี่ยก็พูดหวานล้อมอานานะจนเชื่อใจสนิทใจเนี่ยนะอานานะพูดพูดอวดมัง่งอวดมีอวดร่ำํำอวดรวยอวดใจดีเป็นต้นเนี่ยนะก็รับไปดูแลเสร็จแล้วก็ ว, นวนันสองวันหลังจากนั้นก็ใช้ศอกเลี้ยงเนี่ยนะมีท่านหนึงเขเล่าให้ฟังบอกโอ้ยเขาเลี้ยงภรรยาเนี่ยนะเลี้ยงดีมากเลยใช้ศอกใช้เขา่าใช้ขาเนี่ยนะทั้งโอ้ยกทอนทนเนีน่ยนะไม่หนีเลยนะไม่คิดหนีเลยนะสู้ทนกันหน้าดูเลยแหลนะว่าไง กรรมอะไรมาก็ไม่ทราบเนี่ยนะเคยไปหักขากรบขาตัดเคยไปทรมานอะไรมาไม่ทราบตัวเองก็เลยจําต้องทนภาวะจําทนเนี่ยนะบางคนก็คือคือสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะสมัยปัจจุบันก็ไม่น้อยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ากรมมาฉันทะเนี่ยแหละเป็นเป็นเหตุอย่างที่หญิงชาวชนบทไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยนะมาหลงรักชายหนุ่มบางคนเนี่ยแล้วก็มามาแล้วก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาเนี่ยนะ ก็มาถูกเขาเตะเขาซ้อมบางคนนี่กลับไปเป็นโรคจิตเลยก็มีเนี่ยนะกลับไปวิปรารถาดเคลื่อนเข้าโรงพยาบาลน่นนะไปเข้าโรงพยาบาลจิตไปหาจิตแพทย์เลยแหละก็ต้องกินยากล่อมประสาทเนี่ยนะเป็นลักษณะนี้เนี่ยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะมีกรารมาฉันทะกรารมาฉันทะเป็นเหมือนหนี้ก็เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่เขาบอกว่าเขาเรียกลูกเขาว่าเจ้านี้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราติดหนี้เขาเพราะงั้นเราก็ต้องทําเพื่อเขาทําแทบตายเลยนะเพื่อจะ ให้ลูกพันลูกต้องการมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกวะนะก็กว่าจะผ่อกว่าจะดาวสําเร็จให้หามอเตอร์ไซค์ให้ลูกจนประสบความสําเร็จเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยติดหนี้ลูกก็ติดซะสิเพราะหลงรักเขาเนี่ย น, น, นะก็รักลูกมากอะ่ะที่จริงแล้วเนี่ยตามสูตรเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเจ้านี้ของลูกลูกเนี่ยกู้หนี้พ่อแม่ไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันตัวเองเนี่ยรักลูก น, นี่นะรักจนขนาดบอกว่าเรายอมเป็นทาสของลูกเลยนี่นะ ก็เลยทําทุกอย่างเพื่อลูกก็เลยเจ็บปวดเนี่ยนะเจ็บใจเหลือเกินเลยนะในที่สุดก็บางทีอย่างปัจจุบันเนี่ยนะถ้ามีลูกวัยรุ่นเลี้ยงลูกก็ไม่โตด้วยมีแม่คนหนึ่งก็เล่าให้ฟังโอ้โหลูกของเขาเนี่ยนะมันคือคือมันก็แบบนิสยัยมันก็เลือเกินจริงๆอย่ารไนะม่รู้ไปเก็บมาเรียกว่าไปเอามาจากไหนมาเกิดก็ไม่รู้เนี่ยนะพอามาเกิดแล้วก็ไม่เคยทําให้แม่หัวเราะได้เลยอ่างนั้นเลย สร้างแต่ความเครียดให้แม่ตลอดเนี่ยนะแล้วบิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยถนนไม่ดีมันก็บิดสนั่นเมืองไปหมดมีวันหนึ่งขับไปชนควายตายเลยเนียนะควายควายไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่คนนี่แน่ๆคนชนนี่มันตายเล ย, เ น, ยนะนะบอคนที่เป็นแม่เสียใจไหมก็โล่งรู้สึกโล่งใจบ้างเหมือนกันบอกว่าถ้ามันอยู่มันก็คงหนักใจกว่านี้มันก่อนนั่งรถไปกระยมเขาบอกว่านี่มาแหกโค้งตายอยู่ตรงนี้คนหนึ่งปราณั้น แม่เขาบอกว่ามีคนไปแจ้งให้พ่อแม่ทราบพ่อแม่ไม่มาเยี่ยมเลยไม่มาดูศพเลยว่า ง, งั้นเถอะบอกเขาทาไมมันตายจากใจไปนานแล้วเนี่ยนะโอเพอมันบิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยแรงแล้วก็โค้งมันเยอะนะเดี๋ยวก็แหกโคง้งเดี๋ยวก็แหกโคง้งเดี๋ยวก็ไปชนโน่นชนนี่ตายกันเกลื่อนเนี่ยนะพ่อแก็เลยก็บอกว่าบางคนเนี่ยเวลาลูกแบบมาขอสตังใช่ไหมซื้อรถซื้ออะไรเป็นต้นเนี่ก็โอ้ยขมขู่ขูรีดพ่อแม่ก็ยอมรักลูกเนี่ยนะ ปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่าดูท่าใครที่เลี้ยงลูกผิดๆเนี่ยจะต้องรับโทษเองแล้วนะว่างั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีเพราะลูกในแม่การมาฉันท่าที่มีต่อลู ก, กยิ่งกับเจ้านี้เองนะทั้งคมขีทั้งคู่รีดดีนะายาบ้ามันค่อยระ ง, งับลงไปบ้างเลยนะสมัยก่อนยาบ้ามันระ ง, งับเนี่ยมันถือปืนมาขู่พ่อขู่แม่เลยนะจะให้หรือไม่ให้ทาไมให้ไม่อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเด็กที่มติดยาเนี่ยก็ พมคูแม่เนี่ยนะเพื่อจะเอาสตังไปซื้ อ, อยาก็ชักปืนขึ้นมาพ่อก็ชักปืนมาบอกว่าเอ้ยอย่าทำนะนะลูกก็สวนไปพ่อก็สวนมาเนี่ยนะลูกพ่อฝีมือมากกว่าใช่ไหมเสียงลูกตายสนิทเลยส่วนลูกเนี่ยฝีมือไม่ค่อยดียิ่งพ่อแค่ส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะไอแม่เนี่ยจะเจ็บช้าน้ําใจขนาดไหนใช่ไหมแม่เนี่ยก็ต้องเจ็บใจเนี่ยนะไหนจะต้องแบ่งเวลาไปวัดไหนจะต้องแบ่งไปโรงพยาบาลไอไปวัดก็ลูกชายนะั่นแหละที่ติดยาเนี่ยเพิ่งตายเนี่ยนะ ไปโรงพยาบาลก็สามีที่ถูกลูกยิงนั่นแหละก็โอยมันทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมนี่แหละโทษของกามมาฉันทะนี่นำมาซึ่งความเจ็บปวดฉันนั้นฉันใดอะน้พระฉะนั้นก็ผู้ที่ละการมมาฉันทะได้ก็หมายว่าปลดหนี้หมดนหมดนี้หมดสินสักทีนึงเหมือนันนะนะดีใจแล้วยังมีเหลือทุนเหลือกำไรดังนั้นการละกรมมาฉันทะได้นี่ก็เป็นบุญอย่างนั้นนั่นแหละยังไง ทีนี้มาดูพยาบาทมั่งพยาบาทวิตกนนะในหน้าสอง้อยย่สิบเอ็ดดูกอพภิกษูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเพึงเป็นผู้อาพาธอาพาธก็เจ็บป่วยเนี่ยนะถึงความเจ็บลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ป่วยชนิดที่เราป่วยแค่ไหนป่วยก็ได้กลิ่นอาหารและจะอาจเจียนเขามาี่สมัยเด็กๆจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งป่วยมากพร้อมกระรองได้กลิ่นอาหารเนี่ยนะ คือคื อ, คอหายใจมาเป็นยาหมดเมือ่อหายใจออกมามีแต่กลิ่นยาเนี่ยนะมันก็เลยเหม็นอาหารไปหมดเลยเนี่ยนะได้กลิ่นอาหารเนี่ยแทบอาเจียนเลยมาเนะี่ยบริโภคอาหารไม่ได้เนะี่ยได้กลิ่นอาหารใครยกกลิ่นได้กลิ่นเขาต้มนี่ก็เดือดร้อนนะเนี่ยนะไม่ต้องว่ากลิ่นอย่างอื่นนะพร้อมกระรองเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีกําลังทางกายเนะี่ยพร้อมจนแทบจะเดินไม่ได้เนี่ยนะจําได้ตอนนั้นเรียนอยู่ปถมปีที่ห้าเนี่ยนะพร้อมกระรองแล้วก็เป็นมาลาเรียด้วย นสมัยต่อมาถ้าหายหายจากอาพาธล่ะตอนหลังก็หายจริงๆนเพราะหายจากอาพาธก็บริโภคอาหารตามความต้องการก็มีกำลังกายอ้วนเลยนะเขาก็มีความเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนนะเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายบัดนี้เราหายจากอาพาทนั้นแล้วบริโภคอาหารได้แล้วก็มีกาลังทางร่างกาย เขาก็ถึงความปราโมทปีติโสมนัสเพราะความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุใช่หอย่างในอัตถกถาที่อธิบายว่าอธิบายอะไรนะการกำจัดพยาบาทเนี่ยนะการกาจัดพยาบาทในหน้า228ยบบอกว่าเหมือนอย่างว่าบุคคลผู้กระสับกระสายพระโรคดี โรคดีก็คือแปลงง่ายๆก็คือโรคผอมเหลืองผอมกระรองแล้วก็ตัวเหลืองเนี่ยนะเมื่อใครๆให้วัตถุทั้งหลายมีน้ำพึ่งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นก็ย่อมไม่ได้รสแห่งวัตถุเหล่านั้นน้ำพึ่งหวานขนาดไหนคนที่เป็นโรคผอมเหลืองเนี่ยมันจะไม่รู้สึกความหวานของน้ำผึ้งไม่รู้ความ อ, าอร่อยของน้าตาลเป็นต้นเพราะความที่ตนกระสับกระสายพระโรคดีย่อมอาเจียนออกนั่นเทียว ด้วยสำคัญว่าขมข ม, ขมกินน้ำตาลก็ยังขมกินน้ําพึ่งก็ขมเขาว่าโรคบางอย่างไี่เป็นอย่างนั้นบุคคลผู้มีจิตพยาบาทก็ฉันนั้นเหมือนกันโยมเขาเล่าให้ฟังเขาเป็นพยาบาลดูแลคนป่วยกขเล่าว่ามือที่คนไข้าอาเจียนที่สุดก็คือพอได้ยินถาดกระทบกันน่ยนะถาดอาหารที่แม่บ้านเขาเรียกว่าคนที่ส่งอาหารเนี่ยส่งอาหารไปให้คนไข้เนี่ยนะ คนไข่ในห้องนั้นอาเจียนกันนั่งห้องกันนะเขได้แค่ได้ถได้กึกได้ถาได้ยินเสียงถาดมันกระทบกานเนี่ยอาเจียนเลยเหมือนกันเขบอกว่าไม่ต้องกินบอกโอ้ยกินอาหารยิ่งกกินอะไรอีกเนี่ยนะอันนี้ก็เขาคงไม่หลอกกันนะซึ่งเป็นเรื่องจริงอ่ะนะก็เพราะมันผอมแต่ละคนนี่ก็โอยน้ำหนักถึงกี่กิโลก็ไม่รู้นะพ่ามันเหลือแต่โครงร่างเนหะ็นไหมเพราะนั้นก็กระสับกระส่ายได้กลิ่นอาหารก็โอ๊ยแทบอาเจียนเนียนะแต่จนนาน้ําพึ่งน้ำหวานเอาอะไรมาก็อาเจียนออกไปหมดแหละ ก็ว่าอย่าว่าได้กลิ่นอาหารได้ยได้กลิ่นถาดกระทบกันเนี่ยนะบอกได้เวลาอีกแล้วเลยเนี่ยยิ่งกับแบบยิ่งกับถูกประหัดประหารอีกในวันนรกแห่งอาหารก็งั้นนะยิ่งกับตกนรกอีกคนนันคนที่มีจิตพยาบาทคนที่มีความโกรธในภายในกลุ่มรุมก็เหมือนกัน แม้แต่ครูอาจารย์อุปชาที่หวังประโยชน์สอนอยู่ขนาดอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมหวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความเพื่อกูนสอนอยู่ให้โอวาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่รับโอวาดโกรธอย่างเดียวนะบางคนนี่โกรธอย่างเดียวอาจารย์สอนแล้วไม่ฟังเนี่ยนะโกรธโกรธขัดใจถึงขนาพระเออสึกก็ได้ม่เห็นต้องจําเป็นต้องอยู่เลยนะ ฉันก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันทั้งก็มีทรัพย์สินเหมือนกันทำไมจะต้องมาทนอยู่ให้คนแก่มานั่งบ่นอยู่ได้เนี่ยนะก็ศึกเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอศึกไปก็ถามว่าประสบรสแห่งพระศาสนาไหมศาสนาที่มีรสที่เป็นสุขในศีลสุขในสมถะและวิปัสนาทั้งหลายสุขในฌานมีปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยตัวเองได้รับรสเหล่านั้นไหมได้รับรสแห่งสุขจากพระธรรมไหมไม่มีโอกาสเลยเพราะอะไรเพราะกระสับกระสายด้วยอํานาจความโกรธเนี่ยนะ มันคนที่ถูกความโกรธกลุ่มรุมก็เหมือนกันบางทีพอบวชอยู่เนี่ยนะมันก็เหมือนคนป่วยนะมองพระองค์ปกติเนี่ยก็คนเลื่อมใสดีอะ่ะแต่พอความโกรธมาไอ้พระองค์นี้ก็ไม่ดีองค์นั้นก็ใช้ไม่ได้องค์นี้ก็เลวเหลือทนองค์นั้นทำไมให้อยู่วัดอยู่ได้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็โกรธมันก็โกรธยิ่งโกรธมากๆเข้ า, ากรดาเกลียวกรดเป็นคนที่มีนิสัยดุร้ายหดร้ายเนี่ยนะ เพราะฉะั้นก็กระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะคนที่โกรธนี่เป็นอย่างนั้นเลยว่าขณะที่เราโกรธในขณะที่เราปว่วยนี่ต่างกันตรงไหนเนี่ยนะกระนั้นป่วยทางวิญ ญ, ญาณอนกันะวิญญาณนี่ปว่ยปวยป่วยด้วยอำนาจโทสะเนี่ยนะฟังธรรมะดีๆก็ฟังไม่ได้เพรา ะ, the the มราะโมแต่โกรธเนี่ยนะกระสับกระส่ายเพราะความโกรธเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับรสแห่งพระธรรมความปราบลื้มปีติโสมนัสที่เกิดจากกุศลธรรมก็ไม่มีโอกาสเพราะวิญญาณเขาป่วยเพราะจิตใจเขาป่วยเนี่ยนะ เพยาะยาบาทวิตกเปรียบเหมือนคนป่วยเนี่ยนะเปรียบเหมือนความป่วยความป่วยป่วยชนิดที่เรียกว่ารับอาหารไม่ได้เลยรับพระธรรมไม่ได้เลยเนี่ยนะบางคนฟังธยยรรมก็ไม่ได้สาธยายธรรมก็ไม่ได้ตรึกพระธรรมก็ไม่ได้เจริญส ม, มถาวิปัสนาทําอะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะใครมาบอกใครมาสอนใครมาตักเตือนก็ไม่ได้โกรธอย่างเดียวเนี่ยนะไม่โกรธไม่มีเหตุมีผลเนี่ยนะรู้แต่ว่าต้องโกรธอย่างเดียวแหละทำมาโกรธแล้วมันดีไหมไม่ดีอ่ะ แต่ว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องถามว่าดีหรือไม่ดีฉันจะโกรธกันแล้วกันนะ่ะเพราะฉะนั้นก็โกรธโกรธหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็ป่วยอาการประทุสร้ายใจตัวเองอ่ะนะในที่สุดก็เหมือนกับอะไรคนอื่นเขาไม่ได้กล้าเข้าใกล้ตัวเองก็เดือดร้อนอยู่คนเดียวกระสับกระส่ายเล่าร้อนอยู่คนเดียวสาธุอย่าเพึ่งตายตอนนั้นเลยเนี่ยนะอบายหวังได้เน่นอนอยังไงยังไงก็อย่ายพึ่งหัวใจอย่าพิ่งวายอย่าพึ่งช็อกอย่าพิ่งเส้นโลหิตฝอยอย่าพิ่งอะไรอย่าแตกเลยนะคะอยู่ๆต่อไปให้มันพ้นความโกรธแล้วกกก็จุติัันนะ เพราะอะไรเพราะมันอันตรายเนี่ยนะเพราะว่าไอ้โรคคือความโกรธเนี่ยมันมันถือว่าร้ายแรงมากกันนะสร้างสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของเนี่ยมหาศาล